เห็นในคัมภีร์อะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ว่าคํำพูดคํำพูดของนักปราชญ์ที่ถูกต้องไม่ขาดจากอเิจังอันนี้ก็จริงอเิจังถ้าไม่มีอเนจังเนี่ยไม่ใช่คํำพูดของนักปราชญ์หรือไม่ใช่คํำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คํำพูดของพระอริยเจ้านั่นเองคือเป็นคํำพูดที่เรียกว่า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 เราซึ่งปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ก็สอนว่ายายเมาอย่าเมาถ้าเมาได้ผิดถ้าเมาได้ไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดีอยู่ก็จะเมาดีถ้าเมาดีมันก็โดยเกิดที่ว่ามันไม่ดียายมันเมาให้รู้มันก็เหมือนกับที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายน้ําไม่ปิด ให้ตายตัวมันก็อันนั้นเป็นเขื่อนที่ดีมากเป็นเขื่อนที่ในทรมานเราผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องบังคับจิตนี้ก็เรียกบังคับจิตเป็นคณะยาเมาไม่ใช่บังคับจิตสอนจิตให้จิตค่อยค่อยรู้สึกขึ้นมา ให้จิต ค, ค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเรื่องบังคับจิตมันก็จะเป็นบ้าให้ค่อยๆจิตมันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมามกล่าวถึงปฏิปทาของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีส่วนเทียบได้หลายอย่างซึ่งมันมาลงกันการก่อสร้างข้างนอกนี่ก็เหมือนกันอะไรได้หลายอย่างก็เหมือนกันมันมารวมจุดกันเดียวกันตรงนั้นอย่างนั้นได้ประโยชน์หลาย ในการที่เราภาวนาในการที่เราตามรักษากจิตของเรานี้มันเป็นเบื้องต้นมันเป็นเบื้องต้นถึงแม้ว่าเราจะศึกษาเราเรียนมาก็จริงก็ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นท่อนที่สองชเช่นพระอภิธรรมเช่นพระไตรปิฎกต่างต่างเนี่ยดีแต่ว่ามันเป็นท่อนสองเป็นท่อนที่สองที่คนไปบรรยายออกมาจากความจริง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 เราจะอาศัยอะไรไมไม่มีเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยไอ้ที่มันหลงที่มันกลัวมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้กลัวจะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรตรงไหนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีไม่มีที่พึ่ง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 ให้ดูตรงนั้นี่มันกระทบเป็นมาตรงนั้นก็ดูเอาตรงนั้น เ, เรื่องที่มันมีอยู่ฉะนั้นการกำหนดจิตเนี่ยมันก็บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนก็จะไปกำหนดอจนทีว่าอาการของจิตนั่นมันเป็นยังไงไหมอย่างนี้ก็เลยจะกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรวุ่นไป เช่นว่าเราให้พิจารณากันห้าขยายกันห้าเป็นอาการสามทิศสองหลายอย่างสารพัดอย่างครูวาจารว่าพิจารณาทั้งหมดแล้วก็มาคนคิดทั้งหมดนั่นนหะห้าแต่ก็ยังไม่จบอาการสามทิศสองสามทิศสามสารพัดอย่างค้นไปแด้กว่าอย่างนั้นอันตามาจึงเห็นว่า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 เราเห็นขนาดนี้ก็พอหรือมั้งไม่ต้องไปฉีกเอาเนื้อเอาหนังอะไรออกมาหมดอั น, น, นตรมาเคยเปรียบเดืออยู่เสมอแหะว่าบางคนก็ต้องทาให้มันรู้อย่างนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นแต่เราถึงยกต้นไม้ขึ้นมาให้ดูโดยมากนักศึกษาอยากจะรู้บุญอย่างนี้เขาก็อยากจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบาปอย่างนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไง อันนี้อาจารมาไอตัวมันไม่มีหรอกตัวมันคือความเข้าใจของเราที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเขาอยากใจมาดูแจ้งขนาดนั้นขึ้นมาต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้อาจามาเคยเทียบให้ฟังว่ามันมีรากมันมีใบมันอยู่ด้วยรากของมันนักศึกษาจะต้องรู้ว่ารากมันมีกี่ราก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 ประสบทุกรากใบอย่างนี้มันมากอยู่เต็มต้นมันจะไปนับมันได้ไหมแต่ก็เรียกว่าใบเนี่ยดูเอาใบใดใบหนึ่งเดียวก็แล้วกันก็เป็นใบแล้วก็พอเนี้ยรู้เลย ว, ว่าใบประดู่ตัวนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากประดู่ตัวนี้มันคือมีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี้ไปก็เหมือนนี้ใบประดู่อื่นนอกนี้ไปก็เหมือนใบนี้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 อันนี้พกมาพูดทีดดีว่าเราทำสมาธิกันเพื่อเจริญกิเลส เ, เพื่อใจมันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจริญกันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็เนี่ยสมร tha แบ่งกันสองกวีปัสนาก็เลยมาทำกันให้มันยุ่งมากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้อย่างผู้ที่นั่งสมาธิ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 สองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่าง น, านั้นเท่านั้นในเรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกวันนี้ถ้ า, าว่าพูดตามลักษณะมันฟั่นเฟือกันเกนินไปแต่ว่าสักจะทำํำในในฟันเฟืออะไรกันมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นอันตมาจึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกําเนิดจิตของเรานี่ดี ไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตาย<ม>ยอ่ยอเย่อซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่าง<ม>ให้มันเห็นชัดก็ไปให้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางของมันนะราบยศเสนเสริญสุขมินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเพามันยอมรับสยูแล้ว ถ้าหกว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะนั่นจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทำง่ายอะไรง่ายง่ายไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบากว่าพุทธเบาดีสบายนี่คือที่คนภาวนาที่มีความสงบมแ้วมันจะต้องไปในทํานองอันนี้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 แต่ท่านก็ต้องทำประโยชน์ตนโดยปริยายและก็สร้างประโยชน์คนอื่นโดยปริยายไม่ได้ขาดเลยถึงท่านเสร็จแล้วท่านก็ยังทำอยู่ยังเป็นอยู่อัตมาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทำปฏิบัติกันอยูน่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอัะพูดเรียกว่ามันไม่พ อ, อ ม, มันเป็นสันดานอย่างนั้นเชยอืม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 วิจิจิตราปตาปรามาสนีเป็นเบื้องแรกจะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี้เรารู้ในตัวเราไหะเราเห็นไหมว่าเป็นอะไรมั้ยอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่าเรารู้เราแล้วนี้สักกายทิฏฐิวิจีจิตราปตาปรามาสถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่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 อยู่เหมือนพระคุณเจ้าของเรานั้นอยู่เหมือนอริยเจ้าของเราท่านอยู่อยู่ธรรมราเหมือนปุตตชนเรานี่ใช้คำพูดอย่างปุตตชนเหล่านี้เป็นอยู่อันเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ปแปลกอะไรกันแล้วก็ใช่สมมุติอยู่ตามธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนสมมุติ น, นี้เท่านั้น แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไม่กิบเอาทุกข์มาใส่ใจของท่านคือท่านไม่มีทุกข์ง่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ม, มากเพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์มันดับยิปพานะก็เป็นว่าดับมันดับทุกข์ดับร้อนดับสงสัยดับกังวลมันดับไม่ควรที่จะไปสงสัยมัน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 การประพปฏิบัติมาแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นในการฝึกครั้งแรกฝึกให้จิตสงบอันนี้ลำบากงนฝึกอยาให้จิตสงบให้จิตสงบนี่หากรรมฐานในมัถูุยจดตของเราเองมันถึงความสงบง่ายอย่างนี้ ไอ้ความปจริงนั่นท่านก็โยนให้เจ้าของนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของถ้ามันร้อนมันก็เป็นโทสะมันตึงไปซะถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นสุขซะเป็นกรามมาสุการิการโยโคไปซะถ้ามันร้อนก็เป็นอจจะยิรามาลานโยโคไปนซะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อน ให้รู้จากการร้อนให้รู้จากการเย็นให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะรวมเอาทุกว่าใส่ตัวมันไหมมันยึดไหมอย่างที่ตรรมชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดชาตินี้เดี๋ยวตายไปเกิดชาติหน้าเกิเป็นไปนทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นอันนั้นมันไกลมากที่สุดเลยไอชาติทุกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้น่ะมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ ที่ว่ามันมีภพอยู่ไอ้ภพนั่นมันเป็นเหตุให้ชาติมันเกิดนี่ภพนั่นคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมัน่นมันจัดเป็นภพทั้งนั้นอลยไอ้ของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แยบคายมันเป็นภพทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของของเรานั้น แต่รอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่ามันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันเราสะดุ้งสะดุ้งคือเกิดดีหรือเกิดเสียขึ้นมาอย่างนี้ไอตัวที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดีใจหรือเกิดเสียใจนั่นแนะคือชาติคือชาติเมื่อชาติเกิดเึ้นมาเกิดนำทุกข์เมื่อชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์วราณาทุก อะไรเราอยู่ในพไหมเรามีพพไหมเห็นเรามีพไหมดูมีกินดาแเรามีพพไหมเรารู้จากพไหมดูเท่าทันพพไหมอย่างต้นไม้ในวัดเล่านี้แหละอย่างเราเป็นสมมุติว่าวัดเราอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นนะ่ะคนในวัดหรือสมงผ่านวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวหนอนอยู่ทุกต้นไม้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 เมื่อถูกเขาตัดเขาสับอะไรเป็นต้นก็ถูกนอนคือตัวเราสรุงขึ้นมาเลยเกิดเป็นชาติขึ้นมาเลยห่วงเป็นชาติทุกสรารทิทุกเนี่ยอันนี้เราดูรอบแล้วดูยังอันนี้สิ่งที่ไกลไกลสิ่งที่อยู่บ้านเราสวนมันไกลจากเราไปแล้วเราตรกมาที่ตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่ประกอบอยกันห้า ไอ้จำพวกดินจำพวกน้ำจำพวกไฟจำพวกลมที่มีอยู่เนี่ยที่ถูกสมมุติสังขารว่าเป็นเราอ่ะเห็นสังขารจริงไหมเห็นสมมุติจริงไหมถ้าเห็นสมมุติไม่จริงเห็นสังขารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวภพมมันจะดีใจในขันห้านี่แหละมันจะเสียใจในขันห้านี่แหละมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เนะอืมมันจะชาตทุกอยู่ตรงนี้สนาธิทุกปยายที่ทุกข์กี่เดี๋ยวนี้ มันจะเกิดชาติเดียวนี้เกิดชาติเดียวนี้เวลรานีเดียวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาก่อนแก่ระแตกไว้นี้เสียดายเดียวนี้แก่ระเหลืออยู่ในดีใจเดียวนี้นี่อย่างนี้ดีใจโดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมเสียใจโดยที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมมันเนี่ยอมันเสียหายถึงนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไร เมื่อเรารวมๆเขามาในทั้งหลายเหล่านี้นะเราจะเห็นว่าพบเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เรารู้จักพบไหมรู้จักสมมุติไหมรู้จักบัญญาณไหมนี่นคือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั่นเนี่ยอุปทานมันไม้มีอยู่ตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวนอนเนี่ย ตัวนอนแต่แท้ทําชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นตรงที่เราไปยึดอะไรเนะี่ยยึดอะไรไหมยึดรูปเบทนาสัญญาสังขารอิรญยาณยึดขึ้นเดียวนั้นประสุขเดียวนั้นทุกเดียวนั้นขุมเดียวนั้นเป็นเดียวนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบกันเดียวเนี้ยเมื่อตากระทบกับรูปเดี๋ยวนี้เกิดเดียวนี้ไม่จะเกิดเมื่อวานีหรือเกิดก่อนนี้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 เราจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดียวนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตายจากนี้ไปแล้วไม่ใช่ลูกจากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้ถ้าเห็นลูกเดี๋ยวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้ใจะวกร้องกินเดียวนี้รีนริมรถเดียวนี้เกิดหรือเปล่ารู้ทันมันนี่ความเกิดอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องมีนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ยผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะเห็นว่าเราเกิดอะไรบัง่งเรามีภพอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมเนี่ยไม่ต้องไปรู้หมอหรอกแต่มามีเพื่อนร่วมหนุนอยู่พักกลางสมัยก่อนเคยปฏิบัติเดียกันมาหนีจากกันไปได้ปีเนะี่็เลยไปพบเมื่อสองสามปีมาหนี่น้ำตาเนะี่ย ท่านปฏิบัติสติปัฏฐานแม่ท่นมท่องทันเทศด้วยน่ะเทติปัฏฐานเขาท่องเอาเทศแล้ก็ยังไม่หายสงสัยพอตีนั่นลงไปเลยมากรเลยโอ้ยท่านอาจารย์แม่ผมดีใจด้วยเกินเนี่นี่เขาไปผวาดหรือเขาไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาไปทายพระไปเสี่ยงทายพระก้าเสี่ยงทายเขาน่ะ ยกขึ้นวะถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วขอยกพระนี่ขึ้นอะไรเงี้ยอืมถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระนี่ใหญ่ให้มันขึ้นน้อยพอดีเต็มไปยกพระนี่ขึ้นด้วยดีใจเลยนะเนี่ยไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเนองเห็นว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปฝากไว้ข้อนี้หนั่นแต่เรายกพระขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผู้ปฏิบัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลย มันไม่เห็นตัวมันเห็นคงนอกเห็นก้อนหินก้อนปูนไม่แต่เห็นเจตนาในจิตของเจ้าของในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลยฉะนั้นอตมาจะเห็นว่าการภาวนานี่นะ่ะแต่ว่ามันไม่มีใครรับรองเช่นโบูดังเนี่ยโบูดังนี้เขาทําเขาคนทําเนี่ยนักเรียนป .4 เขาทำบุญทางนี้แล้จะงเออกแฟนเขาทำแต่เขาทําได้ดีที่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้อเขาไม่มรับรองวัตถาปานิคที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทําได้ดีอันนี้มันเป็นอย่างนั้นรัจธรรมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมายดอกแต่รู้เห็นว่าอันนี้มันประกอบด้วยทุกมันพาเราเป็นทุกมันวางสิ่งทางใดเรานั้นได้ ไม่ต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้รู้จิตของเจ็บของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้พอๆอย่าไปวุ่นวายอะไรมากปฏิบัตินั่นอย่าไปสงสัยมากเลยที่มันสงสัยนั่นก็คุมมันมาซะมันเป็นอย่างนั้นเองจิตยังเป็นยางนั้นเองมันวางมันวางนะโดยมากมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเราสำคัญว่ามันมีอะไรอยู่แต่ความเป็นจริงมันไม่มีอะไรตรงนี้มันเป็นอนัตตา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 ดับด้วยความรู้ไม่ใช่ดับด้วยความไม่รู้จักอันนี้ถ้าหากว่าเรารับรองของเราในตัวของเราอย่างเนี้ยให้คนอื่นคนช้างอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเขาในช่องกลางนี่จะให้ปัญญาเกิดที่ถูกต้องที่สุดแล้ว อตจารมาเคยเปรียบให้ฟังใง่ายคนเราถ้ามันมีความยึดอยู่มันก็ไปรู้จักที่ยึดยเทนที่ที่อยู่ของมันขึ้นมาบนหลังคาหนิกับพื้นนี้คนขึ้นไปตํานันก็ไปจดบนหลังคาแล้วมันก็ถึงหลังคาแล้วเท่านั้นรู้ถึงแค่นั้นโดนลงมาก็ถึงพื้นเท่านั้นเนี่ยนี่มันรู้จักแล้วอะ่ะเพราะข้างบนนั่นมันก็ะจดหลงังคาข้างล่างมันก็จดพื้นคนเรามันจะรู้สึกเท่านี้ หากขึ้นไปบนนาคามันจะโดดลงมาเพิ่เอย่างนี้มันก็รู้สึกได้บาอยู่อยู่หลังคาและก็อยู่กับพื้นในยะกลางเนี่ยไม่ใครรู้จะมีใครที่จักเพราะอันนี้ไม่มีเครื่องวัดเป็นอากาศยังไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากนาคามาหาเพื่อนเนี่ยมันจะกี่เม็ดกี่เซนมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่โดดลงมานั้นไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่ได้วัด ไม่ได้วัดมันก็ยังเหลือเม็ดเหลือเสซนของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เสียหายไปตรงไหนหรอกมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นตกลงมาได้วัดใหม่ก็ได้มันจะมีกี่เม็ดมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเก่าเหมือนนั้นถึงคนจะโดดลงมาหรือไม่โดดลงมามันก็เหลืออยู่เท่าเก่ามันสัจธรรมอันนี้ไม่มีอะไรไปตรงไหนอเนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ที่เดวกันที่ไม่มีพบอยู่ญาติกลางเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยตอบไม่ได้ คนเราตอบไม่ได้เช่นว่ายกง่ายในปัจจุบันนี้ไอ้เด็กๆที่มันปรฐมธรรมะกันอยู่หนึ่งมันอยากรู้ว่าพระนิพพานพระนิพพานมันเป็นยังไงถ้าเราพูดไปถึงถึงว่าเรื่องที่มันไม่มีพบเดียวมันไม่อยากไปแล้วมันถอยหลังเห็นไว่ามันดับสงบมันอยากจะรู้จักว่ามันจะอยู่ยังไงกินยังไงอีกนะตรงนั้น มันเป็นอย่างนั้นมันไม่จบแต่ทีหนึ่งฉะนั้นปัญหาของคนจะรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิบัติเท่านั้นแหละเป็นไอจีบุ๊กหรือพระพุะธองคองค์นึงถามาท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านฉันต็จะรู้โดยตอนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของฉันสบัตท่านนี้เลยคือบอกตรงเกินไปมันไม่ดูเรื่องจะบอกอีกางกทั่งวันเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้น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 มีรู้จักในการปล่อยที่มันไหลอยู่นั่นอ่ะดูมันเถอะตัวนั้นไม่ใช่บาปลอยไม่ดูมันนะต้องมีส ต, ตินะที่พูดไปทุกระยะนี่เป็นผู้มีสติควบคุมอยู่เสมอจริงก็เรียกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญาของเราไม่ปฏิบัติด้วยความโง่มันถึงจะรู้จักมันให้มันผ่านปัญญาเราถึงนั้นอันนี้ กัความจริงอ่ะไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นไปตามความจริงของมันอยู่แล้วหละแต่เราเมืความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจะมาพูดคำสัพทที่ทันว่าโรคกิทูรู้แจ้งโรคคือโรคอันนี้มันเป็นสภาวะราะมันอยู่อย่างนั้นหรือจะรวมง่ายกโรคเกิอหรือคืออารมณ์ พูดกัน ง, ง่ายๆสมาธิสุดจะโลกในทัพูดมันกว้างอารมณ์นี่เป็นโลกพูด ง, ง่ายโลกคืออารมณ์อารมณ์คือโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกโลกก็ไทูรู้แจ้งโลกว่าโลกมันเป็นไปยังไงอะไรยังไงไหมอย่างนี้นให้รู้เรื่องของมันคือมันเป็นไปตามสภาวะของมันอยู่อย่างนี้นนะ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 ถ้าคนไม่มีศีนี่มันร้อนมันร้อนคือทำให้มันเย็นนะถ้าคนละความชั่วละบาปแล้วมันก็เย็นเย็นไม่มีโทษอาการที่ไม่มีโทษนี่แหละอันนี้สงฆ์ที่มันเกิดึ้นมานี่เนยมันจิตสงบมันจะเป็นสมาธิเมื่อสมาธินั้นน่ะมันใสสะอาดมันจะมองเห็นอะไรๆายอย่างอย่างน้าที่มันไม่กระเพื่อม ไปมองดูไม่จะเห็นแต่หน้าเราไม่เห็นถึงลังคาโน้นอะไรนกมันบินผ่านมามันก็เห็นนีมันเรื่องอันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันกับมาม่วงว้เดียวลูกเล็กๆมันก็ใบนั้นมันโตขึ้นมาก็ใบนั้นเนี่ยห้ามก็ใบนั้นสุกก็ใบนั้นอันเดียวกันสีมันจะเขียวได้เหลืองก็อันเดียวกันทั้งนั้นสักเท่าว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นก็จากทีนั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้มันก็ มันก็สบายขึ้นความสงสัยมันก็น้อยเทถ้าเราไปขยายมันบอกไปเส้นกว้างูไม่ทนค้นํำลาเลยไม่ทนไปข้นํำลาไม่รู้ว่าไงต่ออะไรเลยวุ่นไปหมดทั้งนั้นฉะนั้นต้องตามดูจิตของเราน่ยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจนตามรักษากจิตของตน คนในตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะข้นจักว่งของมารทั้งมารทั้งดวงดูน่อะจะก็นั่งพิจารณาให้มากสดูไป ม, มามันจะเป็นแบบใดน่ท่านพูดจะย่อขนาดนี้นวิธีอัตมานี่มันก็แปลกนะบวชมาปฏิบัติมาเนี่ยสงสัยมากแกไม่เคยเปไปถามใครให้มาก เตราท่านอาจารย์มั่นอาจจะมาก็ไม่เข้าไปถามท่านอยากถามอยู่แต่ไม่ถาม ใ, ใครๆก็มือติสนั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังท่านเชื่อไปฟังสงสัยอยู่ก็ไม่ถามจะไปถามคนอื่นคล้ายๆจะไปยืมมีดคนอื่นมาปาดซะเราไม่เคยมีมีดอเออไอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่เคยถามใคร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 เอาสมใจอดีตว่ากันดิโยงเอื่ยมพรนั่นน่ะไปไหนเรามีมาดินั่นน่ะมีอะไรไหมน่ะอยากฟังเตะตา้มด้วนั่นน่ะอัตมาว่าอย่าไปสมใจได้มันมากแล้วบ่านี้ปล่อยมันไว้ซะถ้ามีจะได้ก็พิจารณานั้นเรื่องที่มันสุขมันทุกข์มันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายของเราอย่าเลยไปติดมันเท่านั้นแหละนั่งสมาธิมันเหนื่อยเหนื่อยก็พริกมันดิ อดมันเตรียมทนแล้วกว่าพริกมันทีให้มันมากเรียบานนี้แล้วทำสตินั่นให้มากพอเดินใ่มากนั่งใน ม, มากอะไรใน ม, มากทำสติให้มากที่สุดให้มันรู้ทัว่วถึงนะพอสำหรับคนแก่ปานนี้ให้เอาคำที่อาตมาเนี่ยไปพิจนาดูถึ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 ที่เราไม่ก้าวไปก้าวมาเราอยืนนิ่งอยู่กระที่มันนะ่บอกแค่ว่าอันนี้มันไม่แน่บางทีมันมันเสียดายจนน้ำตามันจะไหลออกก็เดีอันนี้ไม่แน่ไอ้ความโรคความโกรธทุกอย่างมันกระทบกระห่บอกคำเดียวแค่นั้นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะ น, นอนตร น, นั้นอันนี้มันไม่แน่กระซิบมันจะได้เลยเอาทุกทีทุกทีอลองรองดูก็ได้ไม่ไม่เอามากาเอาเท่านี้ อันนี้เป็นเรื่องให้เกิดปัญญามีเรื่องเรื่องอัตมาไอฟาภาวนานี่ไม่มากกระเพื่อนเขาหล่าตอนนี้เรื่องที่สุดมันจนมุมมันเอาเท่านี้นี่ไม่แน่ทุกอย่างนะมันจะรวมอยู่จุดนี้หมดถ้าหน้าจิตทีมันเกิดขึ้นอย่าไปนับมันเลยอาการของจิตเมื่อนัง่งสมาธิมันจะรู้อันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนั้นอะไรทัาเนี้ ทั้งหลายเราเนี่ยไม่คด น, นาทีเดียวแต่ตรง น, นี้อือย่าไปตามมันมากเลยบอกแก่าลมันไม่เน่เท่านั้นก็พอแล้วง่ายๆแค่หยุด อ, อยู่แล้วมันจะเกิดของลูกขึ้นมาอย่าไปยิ่งตามไปมันมากเรื่องพูที่จะพิจารณาจริงๆนั่นอนะ่ะมันไม่ได้คิดอนะ่ะพอแต่หูตาหู จ, หจมูกยื่นกายพอกระทบปุ๊บมันออกไปเองมันพิจารณายอยู่นะ